ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังเท่านั้นแต่รงพระพุทธญาณได้นำเสนอประวัติของพระพุทธเจ้ามาถึงช่วงที่สเสด็จออกผนวดโดยมีนายชนะตามสเสด็จในช่วงนี้ท่านแสดงถึงเหตุการณ์หลายๆตอนที่น่าศึกษาประการแรกก็คือเรื่อง การออกมาห้ามปรามของวสวัตตีพรมไม่ใช่คือมารชื่อว่าวสวัตตีซึ่งคอยขัดขวางพระพุทธเจ้าตลอดจากบัดนี้เป็นต้นไปจนถึงจัดทรูและแม้แต่หลังจากได้จัสรูแล้ว ระยามานได้ออกมาห้ามปรามว่าสิทธะอย่าออกบวชเลยเราอีกภาในเจดวันสมบัติพระเจ้าจักรพรรดิก็จะถึงแก่ท่านก็มีการล่อลอกล่อลวงด้วยวิธีการต่างๆแต่ว่าประวัิศัสตร์ก็มีพระไถยมุ่งมั่นที่จะเสด็จออกปรรด้ได้จึงไม่ใส่ใจต่อคำเชิญชวนชักชวนประเลาประโลมของพราม ต่อจากนั้นท่านบอกว่ามีหมาพรมตัวหนึ่งชื่อว่ากติการพรมได้นำผ้าไตรจีวรมาถวายแด่พระพุทธเจ้าซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าแนวการเป็นนักบวชที่นุ่งห่มผ้ากาสาวพัดแล้วก็คลองผ้าเป็นรูปไตรจีวรนั้น ก็มีมาแต่สมัยก่อนก็คงตามรูปแบบสมณะที่เทวดาดีรมิทห้เห็นนั่นเองก็ไม่ได้มีรายละเอียดถึงรูปแบบของผ้าว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรเรเข้าใจว่าก็คงเป็นผ้าธรรมดาธรรมดาตอนี้เนื่องจากในช่วงที่พระองค์สัตรุแล้วไม่นาน เมื่อพระ น, นุนเทราได้ออกบวทแล้วก็ได้เสด็จไปที่ทักกีณามบทเสด็จขึ้นไปไประทับยืนบนยอดเขาแล้วก็มองลงมาจากภูเขาก็รับสั่งถามพระ น, นุนว่าอ น, นุนเธออาจออกแบบจีวรตามอัณาของชาวมโคตได้ไหมพระ น, นุ์กลับทูลว่าได้แล้วออกแบบถวาย ก็สทรงโปรดจนถือเป็นแบบจีวรที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันอาโนนก็ถือว่าเป็นช่าาออกแบบจีวรที่เยี่ยมที่สุดในโลกนะถือว่าออกแบบครั้งเดียวแล้วก็ใช้มาสองพันกว่าปีแล้วตอนรายละเอียดในเรื่องของผ้าไตรจีวรที่กติการะพรมถวายมาคงจะเป็นผ้าธรรมดา พระตาเป็นบุรูปใจจิวอนที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันก็คงไม่ต้องไปออกแบบในช่วงหลังทีนี้เมื่อรับาใจจิวอนแล้วก็ได้เสด็จไปกลับมาในเวลาที่รวดเร็วจนลึกถึงฝั่งอนโนมานาทีคือแม่น้ำที่ชื่อว่านโนมาแล้วก็เสด็จลงจากมา ท่านบอกว่าตัดพระมูลีด้วยพระขันรูปพระเกศาที่ยาวสลวยออกขึ้นมาแล้วก็ตัดลงด้วยพระขันอธิษฐานเพศเป็นนักบวชนนที่นั้นแต่ในช่วงนั้นน่ะก็มีเรื่องเทวดาเข้ามาแทรกกว่า เมื่อตัดพระมอเรีแล้วก็ต้องการจะให้มั่นกระถ่ายว่าการเสด็จออกพระดวจคราวนี้ของพระองค์จะทำให้พระองค์ได้สัตรุปเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็อธิษฐานโยนพระมอเรีที่ตัดแล้วเนี่ยขึ้นไปบนอากาศราถ้าหากว่าโรงค์จะได้บรรลุกแก่พระสมมาสัมโพธิญาณแล้วก็อย่าให้มอเรี้นตกลงมาปรากฏว่าท้าวส ก, กเทวราชก็นำเอาพระอบทองมารับ ไว้แล้วก็นำไปบรรจุไว้ที่พระจุลามณีเจดียสวรรค์ซึ่งในการต่อมาก็ได้ไปบรรจุประคิวแก้วไว้ด้วยนั่นเองแรงนี้เป็นปนัญหาข้อที่จริงในแง่มุมของประวัติศาสตร์แต่ในขณะเดียวกันก็มีเรื่องที่ควรแก่การศึกษาแต่คงไม่เอาละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่าในประเด็นของมารก็ดี ประเด็นคนใจจีวรก็ดีหรือแม้แต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับปิยุลามณีก็ดีนั่นก็จะอยู่ในช่วงหลังคือมาในพระพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นห้าประเภทด้วยกันแปลว่าผู้ล้างขรานผู้ทำลายผู้ขัดหวางจนถึงก็เป็นผู้ข่า แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือขัดขวางเฉพาะคนที่จะทำความดีเท่านั้นคนทําความชั่วมานก็คล้อยตามไม่ขัดขวางประการแรกให้ดูที่กิเลสสมานเนี่ยคือชัดเจนมากว่ามีเป็นอันมากที่แม้เราจะคิดหรือต้องการจะทำหรือต้องการจะพูดแต่มานก็มาขัดขวางเอาไว เช่นสมมุติว่าต้องการจะพูดดีๆกับคนทักคนไอ้มานคือโทสะมากัดขวางเอาไว้หรือดูหมินมากัดขวางเอาไว้หระอยกตนเสมอกระทานซึ่งเป็นอาการของมานะมากัดขวางเอาไว้ก็เลยพูดไปราะไม่ได้แล้วกิเลสเป็นว่าที่เกิดควบคุมใจเราให้ลูกแอบหนา้าของกิเลสได้ ว, ว่าทําอะไรไปตามหน้าของกิเลส จนเกิดความแตกแยกเสียหายร้าวฉานกันเป็นนั้นังคือสรุปแล้วว่าปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกที่มีความรุนแรงด้วยการนําของโลภะบ้างโสดาบ้างโมหะบ้างริษยาบ้างเหยดเบียนบ้างแต่ก็สรุปแล้วก็มาจากโมหเะเป็นหลักมันเป็นกิเลสสมานหรือมานคือกิเลส ที่ทำหน้าที่เบียดเบียนล้างพรานคนอยู่ตลอดระยะเวลาอย่างแต่ว่าในขณะใ ด, ดจิตใจของใครถูกกิเลสสม า, เานเผาดลทำลายจา่นั้นเองแต่เรียกว่าเขาทำงานอยู่ทุกขณะประการต่อไปก็คืออภิสังขารมานมานคือบาปบุญแต่ในช่วงแรกใ น, นมานคือบาปซึ่งเป็นผลของกิเลส จะ ท, ทำให้บุคคลได้ประสบผลจึงสืบเนื่องมาจากกิเลสตัณฑ์แต่ว่าก็กลายเป็นบาปและบาปนั้นก็ตามแผดเผาดนบุคคลผู้กระทำบาปอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันความชั่วร้ายไม่ทำเสียเลยดีกว่าเพราะทำแล้วจะต้องเดือดร้อนใจและความชั่วก็จะตามแผดเผาเอาในการภายหลัง ดังนั้นเมื่อทำไปแล้วก็ต้องประสบ ป, ปัญหาพวนี้จะแก้ไขได้ก็แก้ไขได้อย่างเดียวนะฮะ้วยการไม่กระทำหรือจะทำแล้วว่าจะแก้ไขอะไรก็ทำได้ยากรือบางครั้งมานกาวมันเป็นเรื่องของอุปท า, านขึ้นมาอย่างยกตัวอย่างเช่นเรื่องความเชื่อสมัยกราวที่จันทรุ ป, ป ร, ราคา พระเสาก็บังให้โทษพระเสาก็บังเสวยอายุจะเป็นอย่างนั้นอยนั้นอย่างนั้นอย่งนั้นคือเราลองมองกันตามความเป็นจริงว่าเขาคิดตามเรื่องของจักรราศีแต่นั่นเด็กเพาทุกคนก็ต้องมีพระเสาเสวยอายุอยู่ช่วงหนึ่งเสมอและบางทีก็เป็นตัวเสริมแต่ว่าตอนบูชาพระเสาหรือบูชาพระหูเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมากอะไร แต่คนที่ไปบูชาก็มีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าคนที่บูชานั่นเองบางคนก็ยางประสบ ป, ปัญหาอยู่บางคนก็ไม่เจอปัญหาแต่คนที่ไม่บูชาก็มีประสบ ป, ปัญหาบ้างไม่ประสบปัญหาบ้างก็แสดงว่าเหตุไม่ได้มาจากราหูถ้าราหูให้โทษจริงให้โทษแก่คนที่ไม่สักการะบูชาตนจริงก็ต้องให้โทษแก่คนทุกคนแต่ทาไมบาลาหูไม่ให้โทษทุกคน ก็แสดงว่าตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกระดูกแต่คงเกี่ยวกับกรรมของบุคคลที่กระทำเอาไว้เป็นประการสําคัญเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นมาร น, นะเป็นมานรดูล้างปรางกัดขวางทําลายล้างทั้งหลาประการต่อไปก็คือขันตมานมารคือเบนจะขันต์ไม่ใช่คือเดี๋ยวอภิสังขารมาเนี่ยมีอยู่สองช่วงนะช่วงหนึ่งเนี่ยถือว่ากรรมทั้งหลายเนี่มาเป็นมาร แม้แต่เป็นระดับกุศลกรรมนะรกุศลกรรมที่นำบุคคลให้ไปบังเกิดในพรโมโลกก็ยังถือว่าเป็นมารด้วยเพราะว่าขัดขวางตัดรอนทำลายช่วงโอกาสที่เราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนามีโอกาสฟังธรรมในช่วงที่มีการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า ว่าในอคติสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยอคณะคือไม่ใช่ขคะไม่ใช่โอกาสเนี่ยมันมีอยู่ข้อหนึ่งซึ่งว่าที่จริงแล้วก็ก็ดีนะคือเกิดเป็นโภมโลกเป็นพวกอสศันยีสัตตามีขันเพียงหนึ่งท่านนั้นเองไว้พักสังสารวัฏอยู่ไม่ต้องประสบ ค, ความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าถึงจุดหนึ่งทงก็จิตนั่นแหละ มันก็หมายความว่าโอกาสตรงนั้นถ้าพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ ง, อ, ง, อ, งอุบัติขึ้นเนี่ยเราก็หมดโอกาสเลยเพะไปเกิดเป็นปวงลุกฟักอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นม่านคือขัดขวางตัดร้อนเอาไว้ก็สรุปแล้วบุญเนี่ยมันเป็นการพูดระดับตัวแปลงภพชาติแต่มันประนีดขึ้นแต่ว่าบุญก็นำไปสู่ทุกข์ในสังสารวัฏ คือภพชาติทั้งหลายนี่พบก็เมื่อมีพบก็มีชาติมีชาติก็มีชรามีบรณะสกขกับเทวัตุกระทบบารยะมันไหลของมันนั่นนะเพราะตัวนี้มันอย่ากเป็นภพบุญก็นําไปสู่พบจะประณียังไงก็ตามก็คือพภพบก็ต้องเป็นชาติเมื่อชาติก็ต้องมีชรามีบรณะมีสุขมีถูกมนัฐมีเสียใจมีขับแค้นใจก็ไหลไปตามกระแสของสังสารวัฏภาสาใดมีสังสารวัฏแบนั้นก็ต้องมือกรรม แต่ใดมีการดรับนั้นก็มีสังสารวัตรแต่ว่าวัตถุประสงค์สูงสุดของพระพุทธเจ้านั้นก็คือหลุดพ้นจากสังสารวัตรเมื่อหลุดพ้นจาสังสารวัตรก็ต้องหลุดพ้นจากกิเลสสมานแล้วก็อภิสังขารมาหมายความมาต้องดับกิเลสแล้วก็ดับกรรมด้วยคนที่ดับพระหารันถ้าจึงเรียกว่าปุญญา ป, ปาปะไนโนคือผู้มีบุญและบาต ท, ทีละได้แล้ว มาประการต่อไปนั้นก็คือมัจจุมานได้แก่ความตายที่เข้าม า, าขันธมานก่อนฮะขันธมานมันคือเบญจะขันคือเบญจะขันก็มีอยู่หลายตอนนะฮะตอนแรกก็คือเบญจะขันที่ไม่สมประกอบพิกนพิการนะเกิดมาร่างกายพิกนพิการอาวัยวะทางปวงไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนา ถือว่าเป็นอุปสรรคขัดขวางตัดรอนริดรอนไม่ให้เราทำความดีได้เต็มเม็ดเต็มหนวยในช่วงหนึ่งคือขันข้อใดข้อหนึ่งที่ในประสบความทุกความเบื่นานะฮะเช่นเกิดทุกเกิดโรคเสียดแทงเบียดเบียนประทุษร้ายเอาแต่บางคราวบางคราวบางครั้งบางคราวก็ทุกขวเวทนาที่เกิดขึ้น มีการปวดเมื่อยเจ็บปวดในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายด้ย ห, ลยหลายส่วนแล้วก็เป็นอุปสรรคขัดขวางในการศึกษาในกา ร, รปฏิบัติของเราจนถึงกระจิตที่ยึดถืออะไรก็ตามนะฮะจิตตปเกาะว่าเป็นของเราบ้างเป็นเราบ้างเป็นตัวตนของเราบ้างนะไอสิ่งที่ยึดถือก็ดีเหตุที่ยึดถือก็ดีเหตุที่ยึดถือนั้นก็คือกิเลสสมานสิ่งที่เรายึดถือนั้นก็เป็นขันธ์รากา ก็นำความทุกมาให้ทิวเจ้าทรงแสดงว่าสังกิตเตนะปันจุปาทานาคขันธาทุกขากล่าวโดยสรุปจิตที่ยึดมั่นหรือมั่นในขันธ์ทั้งหา้านั่นเองเป็นความทุกข์ประการต่อไปก็คือมัจจุมานได้แก่ความตายที่มาหักลานตัดรอนชีวิตของบุคคลเช่นว่าความตายที่เกิดขึ้นในช่วงต่างๆซึ่ง เรายังมีความพร้อมที่จะปฏิบัติพัฒนาตนเองให้จมผัดความดีแต่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นไปหรือคนบางคนก็บังมีจังหวะมีโอกาสที่จะทําความดีได้ให้แก่ชาติบ้านเมืองได้มากแต่ความตายก็มาตัดรอนชีวิตเขาซะก่อนเพราะฉะนั้นความตายในช่วงนี้ก็ถือว่ามาเพราะว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วความตายในบางคราวเนี่ยมันเป็นมิตรแก่โลกนะก็เราอย่าลืมว่าชีวิตมันเกิดแก่ตาย ทีนี้มาเกิดมาแล้วเนี่ยถ้าให้แก่มันก็มีแต่เด็กเต็มโลกเลยฮรทีนี้ถ้าไม่เจ็บอันที่จริงดูแล้วเนี่ยคล้ายๆจะไม่มีปัญหาอะไรจะมีปัญหาที่คนมันจะว่างงานขึ้นอีกจำนวนมหาศาลเดี๋ทรัพยากรต่างๆที่เป็นยาซึ่งจะต้องใช้ในการบาบัดโรคเนี่ยก็ไม่ได้ใช้โรค อ, อาจจะรบกรุงรังไปมากกว่าทั้งหมทีนี้พอแก่ไปมากแล้ว แล้วก็ไม่ยอมตายเลยโลกมันก็เต็มไปด้วยคนแก่มีปัญหาง้อเงื่อนยักแยกยักยันไปไหนมาไหนลําบากก็ต้องมีคนมาประคองกันเป็นแถวพวกแก่มันก็จุกตัวกันอยู่มากๆก็ทีนี้เลยยุ่งกันใหญ่เลยเพราะความแก่ก็ช่วยชําระล้างโลกให้มันอยู่ได้โดยปกติสุขโดยตาเรามองในแง่ของสังคมนะฮะ มันก็มีคุณอุปการต่อสังคมความตายก็กลายเป็นบรรุมานที่น่ารักเหมือนกันเราไปช่วยํำรสะสว่างโลกให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วคนที่ตายไปนะฮะเพราะความแก่ที่มาคุกคาเมเบียดเบียนก็จะไปบังเกิดใหม่หากว่าเขามีบุญมีกิเลสลดน้อยลงมีบุญมากขึ้น ทำความดีมากขึ้นก็จะตายไปเกิดพบชาติที่เปะนี่สูงขึ้นมันกลายเป็นลักษณะของการหมุนวนที่หนุนเนื่องกันไปประการต่อไปคือเทวปุตรตามา น, มนคือเทพบุตรก็เป็นเทวดานั่นแหละแต่ก็นิสัยใ จ, จคอยอยางเป็นพานอยู่ก็ต้องเข้าใจนะว่าเทวดาไม่ได้สงบกิเลสได้ทั้งหมด มันแม้แต่พรมเองก็ยังสงบไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าสงบกิเลสประเภทนี้วอนลงไปได้แต่นั้นเองเพราะนั้นมานก็อาจจะมีความรู้สึกไม่พอใจต่อคนบางคนก็ได้ก็เลยก็คอยขัดขวางริตรอนตัดรอ น, ร อ, ร อ, นอย่างวาสวัสดีมารที่จริงก็เป็นพญามาร น, นะเป็นพญามารแล้วก็เป็นเทพประบุสวรรค์ชั้นจาตั ว, วัยชั้นปรนิมิตวสวสดี คือตามปกติแล้วก็เป็นเทวดาที่มีอำนุภาพสูงแต่กับพระพุทธเจ้าเรือกับพระโพธิสัตว์เนี่ยกลายเป็นผู้ที่ท่านรทิ์เสียท่านคอยขัดขวางตัดรอนอยู่เรื่ยอยๆ จ, จะเป็นคู่เวรคู่กรรมอะไรกันมาก็ไม่รู้แหละเพียงแต่ว่าพระโพธิสัตว์ท่านไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่หวาดกลัวแล้วก็ชนะได้ตลอดแต่แกก็ไม่ยอมลดละ ร, ร่ำเบียดเบียนลร่ำพานอยูตลอด เพราะถ้าเราตั้งปัญหาถามว่ามารที่มาพจนพระพุทธเจ้าตรงนี้หละมาในรูปล่อด้วยผลประโยชน์นีครเป็นความยั่วยากคือต้องการกระตุ้นโลภะกระตุ้นราคะซึ่งมีการตอบสนองจำนวนมหาศาล ร, รออยู่เบื้องหน้าพระเจ้าชาติสตาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรรจะเห็นว่าไม่ใช่มารอีกสี่ประการข้างต้น เพราะว่าอะไรเพราะว่ากิเลสมาเนี่ยไระองค์ก็ตัดขาดมาแล้ว ต, ตัดอย่เด็ดเดียวไม่ใช่ว่าคิดวันสองวันหรือว่าคิดเอาขนาดนั้นแล้วตัดใจขนาดนั้นเป็นการใช้อารมณ์ที่จริงมันเป็นการตัดกันด้วยกระแสของเหตุผลที่ไม่มีทางจะย้อนกลับมาเพราะว่าตามจริงบ่วงของมนุษย์เราเนี่ย เขาบอกว่ามีบุตรบวงหนึ่งเกี่ยวพันคอสะปูปลาทาครอนวงไว้พัญญายเยี่ยงบวงปอดึงรัดมือหนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารนิงบวงใหญ่ในท่านตัดมาได้หน้าภาษาอะไรกระ บ, บวงอื่นๆผสมบัตแจักรพรรดิทาไมมีบุตรไม่มีพัญญาจะมีได้ทราบสมบัติมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เรื่อหนึ่งสมบัติพระเจ้าจะกพลาดถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องวิบัติคือเราต้องตายสมบัติไม่พลาดพลากจากเราเราก็ต้องพลาดพลากกับสมบัติมานก็ไม่สยบติดอยู่ในเรื่องหล่ น, นั้นแล้วก็อาพิสังขารมาคือบุญบาปมันก็ไม่ไม่ได้มีอนุภาพอะไรนะเพราะกิเลสมันสงบทีนี้ก็มาถึง ขันธมานก็ไม่ได้มีอุปสรรคขัดขวางเพราะตอนนั้นก็สมบูรณ์ด้วยปัจจัยต่างๆวัจจุมานก็ม่มีข่าวอะไรเพราะเป็นการเสด็จออกปกติธรรมดาในขณะที่สุขภาพพราหมีไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเทพบุตรมารเพียงอย่างเดียวทีนี้คัติการระพรมเองก็เหมือนกันนะครคติการระพรมเองก็เป็นเทพบุะบุนนั่นแหละ แต่ว่าเป็นเทพบุตรชั้นพรหมเขาเรียกว่าพระพรหมซึ่งในที่บางแห่งเรียกรวมรวมเป็นเทวดาแต่ว่าเทวดาตนนั้นเน่ยที่จริงก็เป็นพรหมเราก็ได้ยินชื่อบางทีก็เรียกว่าเทวดาเฉยๆบางทีถ้าเรียกว่าเทพประบุเทพธิดาเนี่ยส่วนมากจะเน้นที่เทวดาธรรมด า, าจะเรียกว่าเทวดาเนี่ยไม่แน่นะบบางทีก็หมายถึงพรหม จนอันญาตระเดวาตาและไปิกันตายรัติยาอะไรตอะไรไปดูไปดูมาในบางพระสูตรที่เป็นพรหมวันใดในพรหมมาสังยุทธ์กับในเทวตาสังยุทธ์เนี่ยการมาของบุคคลทั้งสองฝ่ายเนี่ยเหมือนกันการมาการไปเนี่ยเหมือนกันแสแดงว่าเป็นเทวบุตรเป็นเป็นพรหมอะเป็นพรหมในพรหมโลกเป็นมหาพรหมในพรหมโลก ก็มีคุณอุปการกันมามันก็ไปสะท้อนเอนงสังสารวัตรฝ่ายหนึ่งก็เคยไม่พอใจกันมาฝ่ายหนึ่งก็เคยเป็นมิตรเป็นสหายกันมาเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งคือเจ้าชาติธาตุเสด็จด อ, อกพนวดเนี่ยท่าชีของคนที่เคยเป็นจัตูกันมาก็คอยขัดหวงังด้วยแรงของนิสยา แต่ท่าทีของคนที่เคยเป็นมิตรกันมาก็เกิดมุติตาอันโมทนาตอนนี้ก็ยังทําอะไรไม่ได้มากยังช่วยเหลืออะไรไม่ได้มากก็ขอสนับสนุนด้วยเครื่องลูกห่มไปก่อนเพราะอะไรเพระอาหารเนี่ยไม่มีปัญหาท่านจะบินตบาทได้แต่ว่าเครื่องบริขารของนักบวชเนี่ยท่านยังไม่มีทก็นําบริหารสามบัติเป็นนักบวชไอใช้ชีวิตแบบนังบวชรุ่งเงินเช้าก็เป็นนักบวชอ่ะ ก็นำมาส่งเสริมสนับสนุนก็การเป็นโครงสร้างโครงสร้างของของโลกของสังคมของชีวิตจะเด่นว่าคนเราอดีตเนี่ยเป็นเครื่องกำหนดท่าทีกันในปัจจุบันความรู้สึกปักัยฝังใจของคนอื่นต่อคนอื่นในอนดีตจะแสดงปฏิกิริยาตอบออกมาในในปัจจุบัน คนที่เป็นมิตรก็แสดงความเป็นมิตรออกมาคนที่เป็นจะตู้ก็แสดงความเป็นจตู้ออกมาคนที่เฉยๆกันมาก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของท่านต่อการกระทําของคนคนนั้นที่ตนเห็นอาจจะเกิดเฉยๆเหมือนเดิมหรืออาจจะเกิดมุติตาหรืออาจจะเกิดริษยาถ้าเกิดต้องเกิดริษยานะาเกิดอย่างอื่นไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้จักกันแต่ริษยาเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์ ที่พอเห็นคนอื่นสัตว์อื่นได้แล้วก็ตัวเองต้องคันจะได้เสเองนะจริงดิษยาก็คล้ายๆกับที่เคยเล่าเรื่องอิกากับเรื่องสุนัข์ตี่แย่งเนื้อกัน่ะสัตว์ทั้งกลุ่มนั้นแหละมันก็ไม่ได้ตรวธเคืองอะไรกันหรอกเพียงแต่ว่าในช่วงตรงนั้นเมื่อคขวะฝ่ายหนึ่งครอบครองชิ้นเนื้ออยู่นี่ฝ่ายหนึ่งต้องการได้เสเองก็ขเข้าไปแย่งเป็นสันชาติยานแบบสัตว์ แรงความรู้สึกตัวนี้มันก็มีอยู่ตลอดแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการทำใจของเราได้ว่าเราจะมีท่าทีอย่างไรในเมื่อคนคนหนึ่งกำลังจะพยายามทำความดีขัดฝางดีไหมอนันโมทนาีดีไหมหรือวริษยาดีไหมหรือเบียดเบียนจะดีไหมย่าลือ ม, มาทั้งหมดเป็นผลที่เราจะต้องรับผิดชอบตอนบันดิตพิจารณาเห็นโดย โดยคุณโดยโทษแล้วก็ยังไม่มีอะไรก็ทําใจสงบเป็นการแต่ท้ายดีก็ควรจะแสดงมุทิยาจิตเกอนนุโมทนาสาธุการในการทําความดีของท่านก็ได้สายความดีของท่านมาเพิ่มพูนความดีของเราซึ่งเป็นวิธีการคิดและการกระทําทีาท่ถูกต้องในหมดูดชาวพุทธทั้งหลายทั้งฟังทั้งหลายแต่รุ่มปฐมญาณในวันนี้คอยุติไว้แต่เวลาเป็นธรรนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญองอกงามเพริบุญในธรรม ตองมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี